แท้ที่จริงท่านบอกว่าให้เจริญสตินั้นให้เป็นสติภระในศับท่านเนี่ยนนี่ต่านแต่เต็มที่ของท่านแล้วไงยเอาสตินะให้เป็นสติภละใช่ไหมวิริยะสรัธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะได้มีเป็นภระไม่ใช่เป็นอินทรีย์ธรรมดาเนียนั่นแหละคําว่าตามสติกําลังตัวนั้นเน่ยที่จริง จริงๆก็คื อ, อทําสติให้เป็นสติที่เป็นพระให้มีกําลังไม่ใช่ปฏิบัติตามแบบว่าอย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมที่จริงต้องกํากับจับนี่ตอนนี้อาจามาไปบรรยายที่ที่ที่ที่เชียงใหม่ก็จะบอกว่าเนี่ยตรงนี้ยเป็นเหตุทําให้คนเอามาอ้างกันอยู่ทุกวันเนี้ตามสติกําลัง เราว่าโอ้ยอมค่อยเป็นค่อยไปตามสติกำลังเพราะยอมเป็นคารวาะเนี่ยก็เสร็จเลยที่จริงเขาให้ทําให้สตินั้นเป็นสติพละถ้าสติเป็นสติพละเบ็ดเสร็จแล้วยังอยู่ไม่ต้องพูดถึงเป็นพลาหมดเลยมีกําลังมากี่ะจะได้ไม่จะจะได้ไม่ทอดถอนธุระใช่ไหมจะได้ไม่ทอดธุระเขาเรียกทอดธุระเข้าใจคำว่าทอดธุระไหม ทอดตุละก็แปลว่าไม่ทำศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เป็นพลังเขาเรียกทอดทอดทิ้งเหมือนเหมือนว่าทอดกระถินนะเข้าใจคำทอดกระถิ น, นไหมคือว่ามีผ้าไปใช่ไหมก็คือไปทอดก็คือไปทอดทุระให้พระท่านทำตนเองปรงภาระาตรงนั้นเละนี่ทอดภาระ คำว่าทอดธุระก็คือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เจริญภาร ะ, ะอีกแล้วนี่เขาเรียกทอดธุระหรือทอดกรถินทอดกรถินแปลว่าตัดภาร ะ, ะของตัวเองเงถวาใช่ไหมทอดก็คือวางไว้ปลงไว้วางไว้นั่นคืออาการกิริยารีทอดเขาเรียกทอดเจ๊ะไหมภาษาไทยวนี้ก็ต้องมาแคะแกะให้ดูเอ อ, อยิ่งนึกจะเข้าไปถึงอัธของภาษาถ้างั้นเราจะไม่รู้ว่าเออคือวางยังไงคือทอดอยังไง ต่อไปเป็นกิจสงสงก็ต่อเนี่ยคนทอดธุระทั้งหลายก็คือทอดอย่างนั้นแหะไม่เอาภาระไม่เอาธุระอะไรแล้วใช่ไหมไม่เอาคันถะไม่เอาวิปัสนาธุระแล้วจบเลยเขาห้ามทอดธุระ <c oughs> เขาให้ทอดกระถิน <c oughs> เป็นบุญแต่อย่าไปทอดธุระวิชัยมันถูกใช่ไหมมามองเห็นศาสต์พวกนี้มาใช่ไหมมาเข้าใจ่ในความพิสูจน์อนาม า, เ, าเข้าใจอันที่ก็ อคนเข้าใจอย่างนี hmm> <t <Census> <t es que <ño> ้เสียหายกันเยอะแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็บอกก็นี่เป็นเหตุเป็นความวิจิตของกรรมเนาะต้องคิดดูถ้ากรรมวิจิตอนะกรรมวิจิตตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตเพราะสัญญาวิจิตเนาะสัญญาวิจิตตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตก็กรรมก็วิจิตเพราะกรรมวิจิตก็การกระทําวิจิตเนาะแต่ในนี้ก็ไม่บอกว่าจะมาจํามาจะไปอย่างเงี้ยจะเป็นไปตามระดับเงี้ยมาจากสัญญาแล้วก็มาตัณหาแล้วก็มากรรม แล้วก็มาการกระ ท, ทําทางกายวาจาใจการกระ ท, ทําทางกายวาจาใจในวิจิตเนี่ยโอ้โหทีนี้ยวิบากที่ได้รับวิจิตมากเลยวิจิตพิสดารมากเลยทีนี้ยทีนี้มันวิจิตมาทางนั้นแล้วในสังสารวัฏเนี่ยแลว้วความวิจิตเหล่านั้นน่ยยังวิบากยังเหลือเต็มเพียบเลยถ้ามีโรงงานเก็บได้นะเป็นโรงงานมหึมาใหญ่กว่าคุณเขาสินเนลุนั่นคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนภุเขาสัตว์ ของแต่ละคนใหญ่กว่าภูเขาซีนเนลุใหญ่กว่าก็คือสรุปแล้วก็คือใหญ่กว่าดาวใหญ่กว่าโลกใบนี้ชิ้นส่วนที่เก็บก็ไว้เนี่ยเนะี่ยเพราะในสังสารวัตนี่ทำมานานจัดและเป็นชิ้นส่วนอมตะไม่เน่าพร้อมที่จะพิกมาใช้ได้ตลอดเวลาเนี่ยนะผลิตได้ตลอดเวลาเขาบอกว่า งั้นเรานานๆเราจะไปรับชะตินะในขณะปฏิสันตินะรับแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาจะบอกว่ายังเหลืออีกเยอะคุณเล่นไปเฮอเราวัตตะว่างั้นนะเรายังมีชิ้นส่วนที่ประหลาดประหลาดให้คนอีกเยอะมากเ น, นีเราจะเอาแบบไหนอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นเราจะเห็นเราจะเห็นทุก<ม>เวลาในปัจจุบันเวลาพูดถึงทุกข์กษัตริย์เนี่ยอธมาก็มาเริ่มมาพิพจารณาเนี่ต้องพูดมุมนี้ต้องมาวิจัยมุมนี้งั้นมองไม่เห็น ถ้าวิจัยขนาดวิจัยมุมนี้ก็ยังมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยแต่ถ้าหากมุมนี้ไม่เห็นก็ยังหาอุปมาอื่นไม่เจอแล้วอาจจะมีอีกนะที่มันอุปมาหยาบกว่าเ น, นี้ยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ลองไปช่วยกันคิดก็แล้วกันวิจัยอื่นอันมาคิดได้แค่นี้ยตอนนี้นะใครที่คิดว่าเออจะมีสิ่งใดใก็แล้วแต่ที่มาแค่แกะ ความรู้สึกของสัตว์นั้นโลกนั้นนั่นหรือว่าเราท่านทั้งหลายได้เห็นชัดเจนมากกว่านี้ได้สะดุง้งสะเถือน ก, ก็หาอุปมามาแต่มาก็มองเห็นอย่างเงี้ยว่าอออโรงงานที่ผลิตทุกขษัตว์เนี่ยคือตันหาคือสมุ ท, ทยัยที่บวกกรก ร, รมคือการกระทําทั้งหลายเบียดเสร็จแล้วนะการกระทําวิจิตเรียบร้อยมาแล้วเพราะตันหานั้นวิจิตทีนี้เป็นที่เกลี่ยเก็บถ้าเราจะมองถึงที่เก็บเนะี่ยใหญ่มันหึมามากใช่ไหมแล้วชิ้นส่วนเหล่านั้น ล้วนจะเป็นชิ้นส่วนที่คงทนเลยเนี่ยเี่ยได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไหรก็สวมปุ๊บทันทีเลยนี่นะเราก็ทํำคำใหม่กันไปเรื่อยๆทับถมนะคําว่าทับถมในที่นี้นก็คือโ ย, โยนไว้โยนไว้ตลอดเลยนะโยนไว้โยนไว้ตลอดแต่มันคนละส่วนกันนะส่วนบุญกับส่วนบาปก็คนละส่วนก็ตรงเนี้ยใครอาจะเล่นกับวัฏฏะนล้คนที่เห็นว่าสังสารสุดที่จึงน่ากลัวขนาดในความเห็นประเภทนี้ บริสุทธิ์ได้ด้วยสังสาระจบเลยบริสุทธิ์ได้โดยสังสาระเป็นไปไม่ได้มันจะมันบริสุทธิ์เองไงใจบอกว่าครบแปดหมืนเปิดแปดหมืนสี่พันมหากรรมแล้วบริส <xic> ุทธิ์เองเนี่ยนี่คือความเข้าใจคือคิดยังไงก็หามุมเหงการบรรลุหลุดพ้นไม่ได้แล้วก็เอาเนี่ยตามปัญญาเองตัวเองมองดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาจนมันเบื่อเกิดเมื่อไรแล้วมันก็หมดไปเองในเอกแสของที่มี เขาไม่ใช่ไม่มียานอย่างรู้เนะ่กลกุ่มพวกเนี้ยมีแต่มันมองไม่ทะลุก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวมันสุดไปเองมันหายไปเลยเดี๋ยวมันหายไปเลยนั่นแหละสังสาระก็จะบริสุทธิ์ได้อีกหลายโกดกับว่บาั้นนะมันเกิดจนเบื่อจนเพียรมแล้วมันก็เบื่อมันก็หยุดเกิดมันเองห น, นี่กลุ่มนี้คือกลุ่มสังสาระสุทธิกลุ่มพวกนี้พระเจ้าเป็นทิฏฐิที่น่ากลัวมากซึ่งปัจจุบันก็ ก็ยังมีหลงเหลือให้เราศึกษาให้เราได้รู้ได้เห็นอยู่แต่กลุ่มที่เห็นหยาบๆไม่ต้องไปพูดถึงอันนะงั้นในกลุ่มทิฏ ท, ทั้งหลายนี่คือความวิวจิตต้องตัณหาเก่าสรุปแล้วก็คือตัณหาเก่าสมูทัยเนี่ยนะสําเร็จแล้วแต่แก่ตัณหาที่สำเร็จในพบก่อนๆทั้งหลายเนี่ยทีนี้ทําจักสูให้ตั้งขึ้นเนาะแล้วก็สะสมภาระจักกรูให้ตั้งขึ้นนี่ก็ไปไล่ไปทุกทวาร น, นี่ทีนี้ อันนี้ขนาดเราก็เริ่มเห็นว่าจากักรคูเนี่ยนะจักรคู่ทวารเนี่ยเป็นทุกข์กษัตริย์อย่างนี้แล้วเนาะที่ไปพิจารณาต่อไปก็คือว่าโอ้ตัณหาตัวนี้ตัวนี้เป็นจักรคู่พร้อมศาสต์สามภาระตัวจักขคู่ประสาทเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์กษัตริย์ตัณหาเก่าที่เพาะเชื้อจักขคู่ประสาทไว้อีกมากมายเหลือเกินเนี่ยนะในสังสารวัฏเนี่ยที่เราทํากรรมมาหมดเลยเว้นมรรคกรรมนี่นะสรุปแล้วก็คือตาของพรหมเราก็ทําไว้แล้ว ตาของรูปภพเนี่ยทำไว้หมดแต่กรรมเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมเออก็เลยสลายไปหมดเออนี่สลายเลยเนาะเขาเป็นอโหสิกรรมหมดแล้วเพราะกรรมเหล่านี้เป็นมหากรตาไงเป็นมหากระตาเป็นคารุกรรมประเภทที่แปลกแปลกตรงที่ว่าไม่เหมือน ก, นกันกับกรรมที่เป็นคารุกรรมฝ่ายบาปเออครุกรรมฝ่ายบาปเนี่ยไม่ยอมสลายเออประหลาดแท้ใช่ไหม แต่คารุกรรมวายบุญเนี่ย ส, สลายเพราะเป็นอำนาจของกำลังฌานไงเอออำนาจของกำลังฌานเนี่ยเป็นเป็นสถานภาพที่ไม่มั่นคงได้แค่อุปชาเวทนยกรรมเ็าจะให้ผลอปราประไม่ให้เลยเห็นไหมเออเป็นกรรมที่ทำาพนี้จะได้ในพบถัดไปแค่นั้นเองถ้าไม่ให้ผลในพบถัดไปเขาจะไปกลายเป็นโหนสิกรรมไปเหลือแต่อุปนิสัยปัจจัย คืออัธยาศัยที่ยังชอบในการจะเจริญฌานสมาบัติเออมีอยู่ตรงนั้นนะนะทั้งจก็ไปว่ากันไปหมดแต่ไม่ใช่หมดโดยสิ้นเชิงหมดในการที่จะให้วิบากแต่ไม่ได้หมดโดยการฝังแน่นนี่เป็นอัธยาศัยอุปนิสัยปัจจัยมีอยู่คือความน้อมใจนี้เนี่ยขมะมิวเนี่ยนะอันนี้ได้ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนั้นไม่ใช่เป็นอโหสิ ก, กรรมโดยประการทั้งปวงต้องเข้าใจด้วยว่าในชาวนะนั้นเน่ะก็ เ, เป็นอโหสิ ก, กรรมที่จะให้ผลในพบถัดไปจริงอยู่ ใจในพบที่สามเป็นต้นไปเนี่เป็นอุปนิสัยปัจจัยฝังรากลึกในกระแสขันของท่านเหล่านั้นนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือเรียนเก่าให้เข้าใจเราจะได้เข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยนะคือเก็บรายละเอียดให้หมดนะเวลาสึกตาเนี่ยเท่าที่จะคิดออกตอนเนี้ยนะเพราะจริงๆนามาก็ทิ้งไปนานแล้วนี่ก็มาลือพื้นมาลือฟื้นคิดลือพื้นบอกก็บอกติก็ก็ก็คิดคนเดียวก็ไม่ค่อยเคยหาอุกฮัวหาอุบมาสมัยก่อนเนี่ยพราะตนเองคิดคนเดียวไม่จำเป็นต้องอุบมาใช่ไหม ว่าจะคิดเผื่อคนอื่นเนี่ยผมก็ต้องหาอุปมาอันนี้ได้ใหม่บ้างที่คิดใหม่บ้างลืมทิ้งไว้บ้างเนี่ยนะ ก, ก็ไปเรื่อยๆตามธรรมเาของบุุษชนอุปมาหาความเนี่ยนอนไม่ ไ, ได้เนี่ยเนะี่ทีนี้ก็นี่คืออุปนิสัยปัจจัยแต่ในส่วนของที่เป็นครูกรรมป่ายที่ย้ายผมถัดไปนี่แปลว่าเป็นอโทสิกรรมแต่กลุมอนฑลเรียกรรมทั้งหลายนะถ้าเข้าให้ผลในพบถัดไปแล้วไม่มีระหว่างขั้นแล้วที่เป็นอนันตระธรรม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 ปีดูคาดมาดุคาอดอรหันต์คาดโลหิตุบาทใช่ไหมแล้วก็สังกเพศโอ้ทําครบเลยสมมติเนี่ยนะอย่างพระเทวทาชสังกเพศเล่นงานเง่อนอกนั้นเป็นอโหสิ ก, กรรมท่านวางนั้นแต่อโหสิ ก, กรรมก็จริงอยู่เพียงเขาเป็นอโหสิ ก, กรรมในแง่ของอันตรายกรรมแต่ไม่ได้เป็นอโหสิกรรมในฐานะที่จะให้กรรมทําให้เขาเดือดร้อนเนะเพราเศษของกรรมทั้งหลายเยอะแยะหมดเลยนะที่เกี่ยวกับในการที่เขาบัตุสลายพระเจ้าหรื อ, อยังส่งให้แตกจากกาันนั้นจบไปแล้วทําร้ายบิดามารดาเป็นต้อนอะไรนี้ คำเหล่านั้นยังหลงเหลืออยู่ลัที่ผิดๆทั้งหลายที่เขายังสอนสัตว์ที่วิหารเล็กและสัตว์ที่วิหารเล็กของท่านยังไม่ทำเ <c oughs> จ็บปวดเหลือเกินที่ท่านให้ธรรมะวิปลานะสมมุติอน า, า ม, มาให้คําสอนที่วิปลิตนะไม่สมมุติอน า, ามาสอนผิดเลยแล้วเราท่านทั้งหลายก็ไปถือผิดแล้วไปทําบาปด้วยแหมอนามาที่ว่ารอดแล้วนะอนามาที่ไหนได้อนามายังเจอเต็มๆ เ, เ, เลยนะเราไปทําเมื่อไรเมื่อไรแล้วเจ อ, เจอแจ็คพอตเรื่อยเลยตอนนี้นะถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่เรื่อยเลย เอ้เรานี่ทําไมนะเราก็ทําดีแทบตายว่างั้นเนีะทําไมเราต้องมาเจอสิ่งที่ไม่น่าเจออยู่ตลอดเวลาเลยว่างั้นเลยแหมบอมอ ง, มองย้อนดูกรรมนี้แล้วก็จะเห็นชัดก่อคุณไปให้วิปริตมนสิการคนมาเยอะในสังสารวัตเนะี่ยเอาที่ใช่ไหมคนเหล่านั้นก็เชื่อคุณมาแล้วก็ทําเป็นสาวโพของคุณมาก็เยอะแยะใช่ไหมแหมคนที่สร้างความเชื่อถือคนอื่นมากๆน่ากลัวเกินนะถ้าเป็นบุตรชนเนี่ย ข้านำก็ถูกดิเหมือบุญมหาศาลนั่นนำก็ผิดนีิเหม่อโทษมหาเลยอ่ะใช่ไหมระวังกันไว้เนี่ยบรรดาผู้นำนะหมู่ทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าหมู่เจ้าคณะทั้งหลายเนี่ยผู้นำหมู่ทั้งหลายเนี่ยนำถูกก็ถูกดีไปแต่นำไม่ถูกก็ขึ้นมาเนี่ยเขาเชื่อเราขึ้นมาก็ไปทำผิดอุย้ยลำบากลําบ้นนึกเกินใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้คนไม่เคยเข้าใจกรรมกันตรงนี้เนาะศึกษากรรมกันไม่ละเอียดในกรรมมีไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมตรงนี้นะ แล้วก็โห่ท <angers reading sound> no ํากรรมกันอย่างสบายใจบอกเชื่อ mm ฉันเถอะฉันเข้าใจถูกแล้วมุมนี้แหละใช่่ะ <Listen> ค <ifies> ําสอนของพระพุทธเจ้าว่างั้นไปหักลานพระธรรมของพระพุทธเจ้าเยงยังเยงยังไม่รู้เรื่องอ่ะนะลองคิดดูดิทําตัวเป็นคนหักลานหักรานพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยแท้บอดแล้วยังไม่บอดจนบอดนี่ลำบากใช่ไหมนี่ก็ไปไข่ควรไปพิจารณาเนาะนี่มองเห็นนะแต่นี้จะได้เห็นจะได้เห็นความอันตรายของธรรมะ อันตรายยิ่กระทำทำไมเนาะเราจึงไม่ค่อยได้ถัดจะรู้อะไรน่าจะสอนผิดมานะเลยท่าก็ชาตินี้ก็เล่นผิดไปนั้นกันเนี่ยเมั้ยตอนนี้ตอนนี้แก่ตัวแล้วนี่แล้วแก่แก้หรือจะโผลปลอมใหม่เรานีโผล่ปลอมใหม่แล้วยุ่งเลก็เวลาเวลาอาตมา กล่าวบอกใครไปแล้วมีใครแย้งแล้วเขาก็บอกว่าจะมาสอนผิดนี่มาดีใจมากดีใจตรงไหนแล้วมั้ยดีใจตรงที่โอ้อกุศลกรรมส่งผลเราเราเร็วดีเกินนี่เห็นชัดเลยเป็นไงนะเราเคยไปตาหนีเข า, าพอมั้งพะเขาจะตาหนีเราบ้างเนี่ยโอ้ไม่เห็นเป็นไรเนี่เป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมสําสคัญถ้ากล่าวกล่าวไปไม่มีใครค้านเลยเนี่ยโอ้เป็นเรื่องผิดปกติแล้วแสดงว่ากรรมประเภทที่เราธรรมาวิปริตนี่เราไม่เคยให้ ก็พยายามระมัดระวังตรงนี้ไว้เนาะทีนี้ในคําสอนต่างๆตรงนี้ท่านก็พูดถึงเดี๋ยวดูดูในรายละเอียดตรงนี้ก่อนเนาะบอกว่าจักสุความไม่เป็นไปของจักขู่ประสาทและตัณหาที่เป็นปัจจัยให้จักขู่ทั้งสองเกิดเนี่ยนะหรือจักสุและธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดจักสุนั้นน่ยความไม่เป็นไปได้แก่เหตุแห่งความไม่เป็นไปก็คือเป็นนิโรธาสาธาาัจนะเป็นเหตุให้รู้นิโรธ เป็นเหตุให้แทงตลอดนี้โรธด้วยอํานาจถึงการตรัสรู้หรือทําให้แจ้งนะด้วยการยกขึ้นทีระบทด้วยคําว่าจากักขูจักขูสมุทยาจักขูนิโรธาจักขูนิโรธาคมนีปฏิปทาก็ไล่ไปตามลําดับเลยแต่เนี้ยนะอันนี้โอ้โหไปไล่า ย, ยาวเลยแต่เนี้ยแม่ในดีกาท่านก็ท่านก็ไล่เข้าไว้ในนี้เอาเออดีกามาเอาอาเยตนามาไล่เลยเนี่ยจักขู่มาไล่ก่อนเนะาะจักขู แล้วก็จักขูสมุทะยาจักขุนิโรธจักขุนิโรธาคามีปฏติปิทาก็สโสตประศาสตร์มาไล่เลยทีเนี้ยเพื่อจะให้เห็นกคำว่าสัมมาสัมุทาโอ้โหไล่ไงเนี่ยสโสตประศาสตร์ก็สโสตะก็สโตสโตประศาสตร์ในยะเดียวของก็จักขูเลยนะแต่เพียงเอาตัวสโสตประศาสตร์ก็เวล า, ารวมเนี่ยรวมแม่สัสมภาระด้วยนะต้องวิจัยสัสมภาระด้วยเนะี้ยเพราะว่าแหมเอาจักขูอย่างเดียวมาไม่ได้จักขูต้องมีที่ตั้งเนาะ เอากมารมเชื้อโรคที่มีจักรคูประสาท ต, ตั้งอยู่นั่นแหละเอามาวิจัยได้เป็นทุกข์ัตริย์คำว่าเป็นทุกข์ษัตริย์ในนั้นนะ่ะทั้งสองส่วนนะ่ะทั้งปัจจาลักษณะแล้วก็สามั ญ, ญลักษณะก็มาวิจัยอย่างนั้นเนี่ยรอบรู้รอบร้รอรทุกข์ษัตริย์แล้วเชื่อมโยงไปดูตันหาที่เป็นปัจจัยกับจักรคประสาทกูนี่นี่กล่าวมาอย่างเนี้ยเนี่ยกลาวมาลักษณะอย่างเนี้ยหรือหรือวิธีไล่เนะี่ยไล่ไปตามทวายก็ได้ จากขุปษษระ萨ฏโรปลมจากขุญาณจากขุสัมปะจากขุสัมปะสชาวทนาตั้นหาไลาไปเลยนะไลไปอย่างนี้กระดาษไลไปเชื่อมโยงเฉพาะแต่รัฐวานแต่รัฐวานก็ได้นะเพราะหลักการเชื่อมโยงนั้นท่านกล่าวไว้โดยหลักเป็นคร่าวๆก็ไว้ในชั้นของดีกาเก่าไว้ในชั้นของอัศรษะเก่ า, ก า, กาวย่อปุ๊บป่วยดีกาก็มาขยายให้นี่เราเรียนลําดับตามดีกากะทําไมต้องมาขยาย ถ้าไม่และไม่ขยายขนาดขยายนะเราก็เอาจบเป็นประมาณให้สังเกต ด, ดูดิพอมาไล่จริงๆเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นสัมมาสัมพุโทโธแต่ถ้าหากไปไล่สักหลายๆรอบเนี่ยนะอนันมาจะเป็นคนชอบเอามาสาธยายแล้วอนัมาไม่สาธยายลึกซึ้งอะไรนะอนันมาท่องเร็วเข้าไว้เช่นจักรคูจกัจกรคูสมุททะยะจักรคูนิโรธาจักรคูนิโรทคามินิปฏิปทา โสตาโสตสมุทยาโสตนิโรธาโสตนิโรธาขามินีบริบูธาคานะคานะสมุทยาคาณะนิโรธาคาณะนิโรธาขามินีบริบูธาชิวหาชิวหาสมุทยาชิวหานิโรธะชิวหานิโรธาขามินีบริปูธาไกายะกายะสมุทยากายะนิโรธะกายะนิโรธาขามินีบริบะทา มณะมณะสมุทยัยมณะนิโรธามณะนิโรธาคารมีปฏิปทาก็ไล่เงี้ยแล้วก็มารูปารูปารสมุทัยะรูปานิโรธะรูปานิโรธคารมีปฏิปทามันก็ไล่ถึงอาจจะมาอาจจะาเข้าใจอพอไล่ไล่ไปถ้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจคําว่าสัมมาสมพุทโธอันนี้พอจะมาสอนไม่ต้องมานั่งคิดแล้วมานั่งวิจัยแล้วเอ๊ะถ้าจะเอาอย่างเราไลา่ไม่ได้เพราะอย่างเราก็คิดได้คล่องพอสมควรเนี่ยนะ แต่ในบรรดาผู้ที่ยังไม่เคยเห็นคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเพราะว่าคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเป็นการเจริญพุทธคุณยกตัวอย่างที่ว่าอาจักขุไหมมาวิจัยอะ่ะแล้วเห็นคําว่าสัมมาสัมพุโทโธลึกซึ้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยทําให้อัจฉริยะใสนั้นเนี่ยขัดกลนน้อมใช่ไหมเป็นเป็นวิขำพนะอุ้ยเวกหรือวิขำพนะประหารได้เพราะเป็นอุปยาแลสมาธิ นี่พอวิจัยเล็กลงไปไปเสร็จเห็นอริยสัตว์อันนี้เอาแหละเป็นตระทางเขาวิเวกเป็นตระทางเขาปัญหารเออนี่วิวิจัยแปลวิปัสนาเดินแล้วพอวิปัสนาเดินแล้วนั่นแหละอริยสัตว์ก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็มีนิสรนเวกเป็นอัธยาเป็นอัชชาสยะไอ้นี้ทัางหานี่แปลวิปัสนาที่เป็นตระทางเขาปัญหารเดินและมีพระนิพพานเป็นอัธยาศัยอยู่และเมื่อตระทางเขาปัหาเนี่ยเดินอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดินเดินตะทันข้าพระหานแล้วเกิดความรู้สึกว่าใจมันเริ่มจะฟุง้งท่านก็ถอยกลับเข้ามาวิคัมพน้พระหานไปเห็นคุณของพระเจ้าหไหมท่านจะเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเลยไม่ห่างกันเลยนะเชื่อมโยงว่าสงบนิ่งในคุณของพระทเจ้าเกิดความปลาโมดปีติปสัสสิเกิดความสุขในการน้อมถึงคุณของพระเจ้าเสร็จถอยออกจากการระลึกถึงคุณมาวิจัยอริยสัจต่อก็คือวิจัยทุกขสัจ เชื่อมโยงเอยมีตันหาใช่ไหมน้อมก็หานิโรธวิจัยจนชัดเจนไปเรื่อยๆจนเป็นแต่ทางค้าวิเบกเป็นไปตามลําดับหรือแต่ทางขาา้ า, าพาหา น, า, า, น า, น า, านเป็นไปตามจากอนุสติที่เป็นผู้ธานุสติน้อมก็หาวิปัสสนาญาณจากวิปัสสนาญาณเป็นไปตามลําดับเมื่อวิปัสสนาญาณเข้าถึงความเริ่มจะงอนแงนคอนแคนก็ถอยออกจากวิปัสสนาญาณ น, น้อมก็หาวิคัมพะณะมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เห็นไหมท่านทําอย่างนี้ แล้วก็กระตุ้นกันเป็นไปตามระดับในสุดจริงๆด้วยการระลึกกระทั่งข้าพระพันไปจนเป็นอัธยาศาัยแล้วเหียดสมควรแก่ผลผลสมควรแก่เหตุเบี่ยเศจแล้วทั้งตลอดเป็นมารค์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เป็นสมุเชะทัพหารแล้วก็ละความลุ่มหลงในปรมัตและบัญญัติได้โดยสิ้นเชิงสัมมาสัมพุทโธชัดเป็นโลกุตระสรรารนคมเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านบรรลุเลยนี่มันไปอย่างนี้วิปัสสนาของพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะ เออเป็นไปลักษณะ น, นี้แต่ปัจจุบันไม่ว่ากันคุณจะว่าไปตามความเข้าใจคุณก็ว่าไปแต่ถ้าตามคําสอนของพระเจ้าเดินอย่างนี้ท่านเดินอย่างนี้อนอนตรายเคยไปสอบถามหลายหลายคนเคยเดินอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีใครเดินเพุทะคุณเชื่อมยงวิปัสสนาอย่างนี้เลยแล้วก็แม้ไปที่เนี่ยก็ยังไม่ได้วิจัยลึกลงางนี้เลยใช่ไหม ลงไม่ถึงส่าทีพยายามจะลงหลายครั้งผู้ผู้ฟังไม่เป็นด้วยแหมรู้สึกว่ายังไงของขึ้นคําว่าของขึ้นในที่นั้นหมายความว่าไม่ไงได้ทําไงนีนะกลับมานอนอาวางแผนใหม่ก็ไปใหม่น้อมออกจะเอาอันนั้นบ้างเอานี้นบ้างะอะมาเป๋ไปเลยเดี๋ยวนี้ก็เลือตาลายก็ไม่เป็นไรวด น, นี้ได้แค่นี้ก็บุญเดี๋ยวไปใหม่ใครไม่ตายนะ ถ้า ต, ตายก็ว่าไปใช่ไหมแต่ยังมีชีวิตยอยู่ก็เอาจะพยายามเดินคําสอนของพระพุทธเจา้าพยายามจะเชื่อมบุคคลผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งใจไว้ให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อวันใดวันหนึ่งถึงอาตมาก็หมดพละงแล้วแต่ว่าก็แต่ไม่ไดนะ้ถึงแบบโลกวตรารนะถึงแบบโลกญาณนะถ้าโลกจะเล่าไม่ไหวก็โหกิจโยก็หกกรณีโยพี่ว่ากิจมากคุณล้ามากอาตมาก็มีกิน อ, อนาตมาดิใช่ไหม ในการที่ต้องทำํำแต่ก็ขอให้ทุกคนพอจะมีแนวทางพระธรรมของพระพุทธเจ้าในแนวทางนี้นีแนวทางทางที่ถูกต้องตามพระธรรมคาสอนเป็ดเสร็จเนี่ยสามารถลงลึกได้ในรายละเอียดอันมาพอใจแล้วถึงไม่งั้นก็บันทึกบันทึกอะไรเข้าไว้บ้างอะไรบ้างต่ตางเบ็เสร็จแล้วก็เพื่อปัชิมาเชนตาชนนะเพราะว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านก็วางแบบไว้ดีแล้วนีท่านวางแบบไว้ดีแล้วในยุค ข, ของท่านนะ พอถึงในยุค ข, ของเราก็เราก็เน้ความสามารถได้แค่นี้ยนะก็ก็วางแบบกันเขา้าไว้เพื่อจะเป็นปัจจัยแกบุคคลรุ่นหลังได้สดับระฟังใช่ไหมหรือได้เรียนรู้ว่าอ้อนี่เป็นอย่างนี้ปรางนั้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นแสงเทียนเล็กๆน้อยๆนอะยูใ่ในถ้าที่ลึกที่โซเดียนะก็ไม่เวลายังไม่ยอมโรเีนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใครอาจจะปุ๊บเข้ามาในถ้ำนี้ก็ได้ก็มองเห็นอ๋อมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีปราณั้นก็ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนึกว่าจะดับไปแล้ว ลมพาดหลายครั้งใช่ไหมอาอยังมีอยู่มองว่ายังมีอยู่ก็ก็ยังมีให้ให้เห็นอยู่เนะี่ยก็ก็ไปใครควรอย่างนี้นั้นถ้าหากว่าพิจารณาในรักอย่างนี้ว่าจุดไหนใช่ไหมอาคุณช่ำชองสายเนะี่ยจะครูภาษาคุณช่ำชองก็เดินวิปัสนาสายจากครูภาษาที่้าเข้าใจว่าเดินพุทธคุณด้วยและเชื่อมยองวิปัสนาญาณด้วยเมื่อเชื่อมยองวิวิปัสนาญาณแล้วมักยังไงผลยังไงปัจจเอะยังไงก็ไล่ไปทำแบบไอ้ตรงนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนี่นะ อันนี้ก็แปลว่านี้เดินสายของจะขู่ทวารถ้าเดินสายของสวตะทวารก็ก็ไปว่ากันในในมุมเนี้ยเพราะสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีอัธยาศาัยต่างต่างจริงๆเนียแต่ยังเราท่านทั้งหลายก็วิจัยครบวิจัยครบก็จะครบก็ใช้เวลาคุณครั้งเยอะนิดนะแต่ว่าถ้าครบได้ท่านทั้งหลายพุทธคุณจะชัดเจนพุทธคุณจะฝังแน่นในใจที่ท่านทั้งหลายบอกว่า โอ้โหเราจเจริญพุทธคุณไม่ได้เพราะไม่วิจัยเพราะไม่เชื่อมโยงอย่างนี้ถ้าเชื่อมโยงอย่างเนี้ป่านนี้พุทธคุณฝังแน่น่ยอัธยาศัยแล้วเลือเป็นอัธยาศัยจริงๆใช่ไถ้าไปนั่งวิจัยอย่างนี้จริงๆใช่ไหมและเลือดจริงๆอ๋อใหม่ๆสาธยาญจนคล่องกว่า น, นี้ยไม่ชัดให้รู้ไปถ้าไม่ชัดช่วยอธิบายหน่อยมีคนจะอธิบายต่อเราเยอะลราอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่าอ๋อเป็นเช่นนี้จริงๆเนี่ยนี่คุณของพระผู้มีพระเจ้า อันนี้สติปัฏฐานนีไงสอนสติปัฏฐานใช่ไหมเอาเปรีหรือไม่เป็นเนี่ยสติปัฏฐานเลยเนี่ยกายานุปัสนาสติปัฏฐานได้เนอะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ผ่านวัทฏคุณเอาสิโอ้โหวิจิตมากว่าทำของพระเจ้าไหมพิสูจน์พิจารณาเห็นกายในกายไหมภายในเนี่ยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอวิชาและโธมันัตในโลกเอาสิลองมาวิจัยที่ยุ่ไม่ได้ อ๋อจากครูศาสตร์เป็นรูปขันเอเไรสิสติที่ไปพิจารณาหไหมเป็นสัมมาสติเอะไอที่ไประลึกถึงคุณของพระเดจ้าวิริยะคือเพียรพยายามให้สติหลุดจากการวิจัยโอ้โหแม่เป็นสัมมาวยมามะปัญญาที่ไปวิจัยแค่แกะดูสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่เป็นปัญญาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแล้วก็มีองค์มรรคอื่นเข้าเสริมเข้าร่วมอีกมากมายเลยเนี่ย ตอนนี้ศิกขาสามกำลังเดินไปอยู่ในการทํากิจในการวิจัยอริยสัจเพื่อเห็นสัมมาสัมพุโทโธด้วยความเป็นผู้ฐานุสติก่อนอันนี้เป็นเป็นวิคัมพนะวิเวกและเป็นวิคัมพ น, ววมนะวิเวกที่มีนิสระนะวิเวกเป็นอัจฉริยะด้วยหมาน่าชื่นใจมากใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นิสระนะเออไม่ใช่วิคัมพนะวิเวกเหมือนกลุ่มบุคคลทั่วๆไปเ เนี่ยลักษณะนี้กำลังน้อมมีพระนิพพานโดยอัจาสิยเมื่อลึกซึ้งในคําว่าสัมมาสัมพุทธโธจนเกิดปราโมดปีติปสัสสติจนเกิดความทราบซึ้งในคําว่าพุทธคุณแล้วท่านเหล่านั้นก็เชื่อในปัญญาการตัดสู้ดีของพระผู้มีภาคโอสัตทินสีมั่นคงมากวิจัยพระเจ้าตัดสู้ไรหนอะตัดสูดอ้อริยสัตว์ไอครับอริยสัตว์คืออะไรล่ะเอานี่คือจักขู่นี่แหละเป็นธรรมที่ควรรอบรู้ จากขูสมุทัยนี่เป็นธรรมที่ควรละจากขูนิโรธเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งจากขูนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นธรรมที่ควรดําเนินโอ้โหต่เนี้ยเอาละข้าพเจ้าจะกกําหนดรอบลูโทุกขศา์กล่าวคือสมุทัยคือจกักรภศาสตร์นี่แหละแล้วก็จะเชื่อมโยงเห็นสมุทยัยคือตัณหาบวกกรรมบวกอวิชานี่แหละในอดีตและตลอดถึงอาหารทั้งหลายในปัจจุบันพบที่เป็นปัจจัยเก่ับจักรุปาสตร์เกิดนี่เนะ ที่หล่อเลี้ยงตาทั้งหลายพวกวิตามินทั้งหลายที่ผ่านผักผ่านผลไม้ทั้งหลายนี่แหละที่เขาไปหล่อเลี้ยงลูกตาทั้งหลายนี่เนี่ยทให้ตาเนี่ยแจ่มใสชัดเจนเบต้าเหล่านี้แล้วก็ความเกิดขึ้นของจักขุปส萨ตแต่ละขณะแต่ละขณะทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ขณะแรกมาจานถึงปัจจุบันแล้วมีการเสื่อมสิ้นดับไปเนี่ยถามว่าเ อ, อออวิชาดับตัณหาดับกรรมดับใช่ไหมอาหารดับแล้วก็ นิพพติลักษณะคือลักษณะาการดับไปของจากกุประส萨ตได้ด้วยอรหัตมร์มเมื่อไรแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องไม่มีตามาบริหารอีกต่อไปไม่ต้องมาเจ็บปวดอีกต่อไปอย่างไรเนาะพอเข้าใจอย่างนี้โอ้โหทีนชัดเจนเลยเนีย่ต่อไปก็จะเหรือทีปัญนาเพราะเข้าใจคําว่าสมมาสมุโทโธแล้ว แล้วก็จะเชื่อมโยงเห็นโดยปัจจัยยังไงเห็นโดยขณะยังไงสันตติขณะยังไงนยเชื่อมโยงลงสู่ขณะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีตใกล้ๆยังไงตัณหาไม่อาศัยตาเป็นยังไงนะก็เข้าใจเพราะรอบรู้ในลักษณะนี้เรียกวิปัสสนาญาณเดินแล้วเมื่อวิปัสสนาเดินถามว่าเราจะเล่งอะไรตอนนี้ถ้าเข้าใจแล้วจะเล่งอะไรเราจะเล่งบรรลุพระนิพพาน มันจะรู้ของมันเองใช่ไหมคําว่ารู้ในที่นั้นแต่ว่าจะสมควรแก่เหตุที่กําลังดําเนินอยู่เองและการละตัณหาก็เป็นไปทุกๆขณะถามจะไปละตัณหาตอนไหนตอนที่คุณเข้าใจนั่นแหละตอนที่คุณนิจใจตอนที่คุณรอบรู้ตนทุกคุณชัดเจนเป็นไปตามลําดับนั่นแหละตัณหาก็จะถูกละคลายถ่ายถอนเป็นไปตามลําดับความเบื่อหน่ายจากการมีตา ม, มากเท่าไรตัณหาก็หมดที่พึ่งหมดสารณะมากเท่านั้น ปัญญาก็ได้สาธนาได้ที่พึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชิงพื้นที่มากขึ้นวิจัยมากขึ้นในที่สุดจริงๆความจริงปรากฏชัดมากขึ้นแล้วมีไหมที่การกรณนนี้ทํากรรมเพื่อปรารถนาตายต่อไปในที่สุดจริงๆฉันตราค้าต้องถูกวางได้อย่างแน่นอะนใช่ไหมใช่นี่เราไม่เคยทํากันอย่างจริงจังเป็นกิจแจรักษณะอย่างนี้สักทีเลยอะต่อไปอนี่เริ่มรู้แนวทางใช่ไหมต้องไปนั่งไขคุณดูดิเพราะเผอไปก็เดือดรมาเลยเนี่ยใช่ไหมอย่างเนี้ย นี่เขาเรียกว่าเกิดความเข้าใจนี่ในการที่จะไขควรนี่คือจักขูวันนี้วนๆอยู่จกักขูจักขูสมทุทรไทยจักขูนิโรจักขุนิโรธคำนี้เบิดบิดาแต่สําคัญนะเพราะเข้าใจบทนี้แปลว่าบทอื่นเนี่ยจะไปได้บทอื่นจะไปได้เพราะบทแรกสําคัญใช่ไหมพอไปบทอื่นก็เริ่มจะวิจัยเป็น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 ก็าจากคูวิญญาณมาวิจัยตรงนี้ก็ยิ่มลึกไปนะเพรานามมาทําจากคูวิญญาณนี่เป็นนามนี่เป็นเป็นวิญญาณขาคารพอเป็นวิญญาณขาคารเนี่ยนะเออได้สัมมาสัมพุทโธด้วยแล้วก็ได้จิตตารปัสรนาด้วยเห็นไหมผู้ในข้อที้ได้จิตตานรถัสรนาด้วยนเนี่ยแมย่จะไปสอนที่จริงเวลาไปวิจัยในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยถ้าดึงพวกนี้เข้าไปจะชัดเลยเพียงเรียงหมวดให้ถูกแต่ต้องเรียกจบก่อนนะ ถ้าสติปัฏฐานไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งอยู่ล่ะใช่ไหมใช่ถ้าจบสติปัฏฐานเปเสร็จนะกายกายานุปัสนาจบเวทานุปัสนาจบธรรมานุปัสนาจิตาจบธรรมานุปัสนาจบโอ้ยรู้เลยวิจัยเนี่ยเพราะวิจัยโดยอายะตนะเนี่ยไปอยู่หมวดธรรมาก็ได้จะให้อยู่ในหมวดของรู ป, ประขันก็ได้ย่างนี้ไปได้นะะแม้นวิญ ญ, ญาณ น, นะจากคุญ ญ, ญาณเนนะี่ยจากคุญ ญ, ญาณ น, นี่เป็นเป็นวิญ ญ, ญาณขัน ใช่ไหมเป็นมนายาตนะเป็นจกักขุยาณธาตุโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองย่ีทําไมต้องมาวิจัยคำว่าสัมมาสัมพุโทโธโอ้จักขุวิญญาณก็ดีเป็นวิญญาณนัขขันก็ดีเป็นมนาญาตนะก็ดีเป็นจักขุวิญญาณธาตุก็ดีเนี่ยนะว่าโดยสัจจะเขาเป็นทุกขสัตย์นี่เออในบรรดาของวิญญาณนัขขันเหล่านี้หรือว่ามนาญาตนะนะในด้านของมนาณิเขาเป็นมนายาตนะนะ ไม่ใช่เป็นจักขรายะธนาบางคนเอาว่าจักขูวิญญาณเป็นอายะธนาแล้วเป็นจักขรายะธนาจบเลยเป็นอะไรนะเป็นมะนายะธนะก็เป็นจิตนะแต่เป็นจักขูญาณธาตุเพาะโดยธาตุเป็นจักขุ่ญาณธาตุในกรณีตัววิญญาณนี่ความสําคัญของสัตว์นี่วิพิิตจริงๆรนะเห็นเนี่ยสำคัญว่าตัวเองเห็นแล้วสิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ได้สําคัญว่าเป็นรูปอารมณนะและไม่ได้สําคัญว่ารูปในรูปนะใช่ไหม เพื่อไปสําคัญว่าอย่างสมมติว่าเอาสัตว์โลกที่วิพิตก็คือว่ า, อาบอกว่าเหมือนอาจารย์เห็นยมสุรีจบเลยเห็นได้ที่ไหนนะตัวจากคุณยานเห็นแค่สีอเอาดีและไม่ได้เห็นรูกทุกรูปด้วยในบรรดารูปยี่สบเจ็ดรูปเว้นอิทธิภาวะรูปเอเว้นปุริสภาวะรูปไปเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เห็นทั้งหมดเลยเห็นรูปเดียวแค่นั้นเองคือรูปอาลม นั่นจะคูญานทำกิจในการเห็นแค่นั้นเลยฉะนั en, ้นท่านจึงใช้คำบอกว่าคำว่าเห็นเนี่ยเห็นจักประมาณว่าเห็นนะเห็นจักเป็นศักด์ว่าเห็น้ตัวจักคูวิญญาณต่างหากเป็นผู้ไปเห็นตัวที่ถูกเห็นคือรูปายะตนะไม่ใช่รูปทั้งหมดท่านจึงใช้คำว่ารูปในรูปทั้งหลายเมื่อเห็นในลักษณะที่จักคูวิญญาณก็โ่าอ๋เนี่ยไม่ใช่เรานะสิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นรูปอารมณ์เนี่ย ทีนี้ถ้าถามว่าเออเข้าใจแล้วว่าแท้ที่จริงเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของนามมาธรรมแระโธรรมทั้งหลายสิ่งที่สามารถทําให้เห็นได้ปริว่าัตว์นั้นมีขันห้าและขันห้ากําลังดําเนินไปอยู่ตอนนั้นขันห้าเก่คือจกักขูยญาณทํากิจในการเห็นก็คือมานายทะนาทํากิจในการเห็นอยู่แล้วก็วิญญาณขันทําจิตในการรู้แจ้งอารมณ์อยู่นะเริ่มเข้าใจพอเข้าใจอย่างนั้นเบียเศษไม่พอ ไม่พอคือว่าสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปเนอะไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นต้นนินิปราจากสัตว์บุคคลแล้วนั่นเข้าใจในระดับชั้นแรกในระดับชั้นต่อมาก็คือต้องเข้าใจมากไปกว่านั้นอีกว่าจักรคูญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงใช่ไหมเพราะจักรคูญยาณเป็นวิบากวิบากอันนี้ก็แปลว่าเกิดมาจากกรรมมาจากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมใช่ไหม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 ถ้าเข้าใจอย่างนี้แปลว่าปราจะปราศจากสัตว์บุคคลจริงๆผู้ทํากรรมในอดีตคือขันห้าผู้รับกรรมในปัจจุบนันพบคือขันห้าผู้ทํากรรมในนั้นมีตัณหามีอวิชามีกรรมในอดีตเนาะเป็นตัวกระทํากรรมโดยผ่านขันห้าเมื่อกรรำนั้นสําเร็จเบีเสร็จแล้วตัวตัณหานั้นก็เป็นโรงงานผลิตจากขุวิญญาณให้ในปัจจุบนันพบ และจากกวญญาณกําลังเกิดขึ้นสืบติดต่อกันไปอยู่ในปัจจุบันภพนั้นเพราะตันหาเชื่อมให้กรรมเป็นตัววิจิตเพราะตันหาวิจิตตันหาวิจิตเพราะสัญญาวิจิตมีโมหะปกครองอยู่เราก็เห็นกระบวนการของความวิจิตของกรรมด้วยและวิจิตของตันหาด้วยวิจิตของสัญญาด้วยความวิจิตของผลของกรรมที่วิจิตคือวิบากที่มันกําลังวิจิตกล่าวคือจักรวญญาณที่กําลังเป็นไปอยู่ด้วย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 หนีเห็นทั้งอดีตเห็นทั้งอนาคตเห็นทั้งความเป็นไปของปัจจุบันอย่างนี้ก็โมหะก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ได้ทิดได้ทางแล้วเริ่มจะลงทิศลงทางเนาะตัวตัณหาก็ไม่รู้จะเชื่อมจุดไหนตอนนี้เพราะปัญญามาทำกิ่งเขาอยู่ในการที่วิจัยนะเออปัญญาเขาวิจัยแบบนี้อพอวิจัยอย่างนี้เบสเสร็จก็เริ่มจะทําความเข้าใจเนะเริ่มทําความเข้าใจเข้าไปเป็นไปตามลำดับว่าอ้เนี่ยไม่กําหนัดไม่ขัดคืนไม่ลุ่มหลงเลยเพราะจากครูอินยาณเป็นผลของ กุศลกรรมที่กําลังดําเนินไปอยู่ใช่ไหมเป็นตัววิบากไม่มีความกําหนัดด้วยความรากักด้วยความยินดีด้วยความเบื่อเพลนไม่มีความขัดเคืองด้วยอํานาจของโทสะอิสามาเชระยะเป็นต้นไม่มีความรุ่มโรยด้วยอนานาจของโมหะนะอหในการโนธปะไม่มีเลยนะพอไปพิจารณาอย่างนี้เบสเร็จก็เ อ, อ้ยต่อมาเวลาชาวนาจะเกิดขึ้นต้องตั้งโยนิโสมนัสการไว้ที่ปัญจ ว, วันะล ว, วัชนะและมโนวัรวัชนะและ ถ้าลงสู่มนโนทวารวชนะก็คือนั่นแหละในมนโนทวารวชนะทำโยนิโสมนสิกาในการตั้งใจแต่ละครั้งก็ไว้ว่าเอ้เราต้องเอาจักกุวิญญาณเป็นประมาณได้แล้วจักกุวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคลืองลุ่มหลงฉะ่ไหนเราจะทําให้ชาวนากำหนัดขัดเคลืองลุ่มหลงไม่ควรเลยการตั้งอธยาสายอยางนี้แต่ละครั้ง